ท่านบุกวงทั้งหลายวันนี้มีโอกาสประพกุกท่านในหัวข้อเรื่องว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกมีอันหนึ่งที่พระพุทธศาสนาช่วยโลกให้โลกมีความสุขเนื้อว่าตอนที่แล้วได้พูดนว่าถ้าจะทดลองดู เอาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเป็นหัวหน้าในการสร้างความเจริญให้กับแก่เขตสถานที่เพราะว่ารัฐบาลในสมัยถอยหลังก็ไปประมาณสามสี่สิบปีทำมาแลมีผลดีสมัยนั้นโรงเรียนไม่มีมีแต่สลาวัดเอาเป็นสถานที่ศึกษารัฐบาลก็ให้ให้การช่วยเหลือ เคยวัดคอยวัดช่วยสร้างโรงเรียนแต่ว่าให้เงินครึ่งหนึ่งปายกฎว่าภายในระยะเวสองสามปีโรงเรียนไปชาบานเต็มไปหมดตอมนี้พ่อได้พว่าพระสงฆ์ในพทธศาสนาและคนข้างวัดต้งถือว่าคนข้างวัดแต่ออกไปจากในวัดก็เคยเป็นลุสิษ์วัดมาก่อน การเป็นฤาิีวัดนี้พระธรรมคําสสอนขอ ง, องเขาสมเด็จพระชินวรส์ค่อยๆซึมไปทีละน้อยๆบางท่านไม่ได้ตั้งใจจะศึกษาแต่ว่าได้ยินได้ฟังก็พูดกันบ่อยๆจิตมันมก็ซึมเวลานั้นท้าพระสงฆ์ประกาศบอกว่าจะสร้างโรงเรียนเขาก็สับตาคนต่างเสียสละทั้งเงินทองแล้วก็ ตลอดจงกรทั่าแรงงานมาช่วยการก่อสร้าง <c oughs> ทำให้รัฐบาลเสียรัฐเงินแประมาณไปน้อยควรจะสร้างระเบียนหนึ่งหลังก็ได้สองหลังและยิ่งกว่านั้นก็ยังยังได้กำลังแกบ่บุคคลผู้ก่อสร้างและวัดคอยซ่อมแสงของตัวเองอะไรจะผุอะไรจะพังก็ไม่เคยคิดจะไปขอเงื่อประมาณจากรัฐบาล มันพุทโธลงไปก็หางเงินทํากันเองสร้างกันเองซึ่งไม่เหมือนกับที่รัฐบาลสร้างกระเบื้องหล่นพันหนึ่งรองบประมาณไม่กระดานพื้นผุพันหนึ่งรองบประมาณนี่มันเสียหายมากแล้วก็ได้พูดไว้ในตอนท้ายในวันก่อนบอกว่าเวลาที่วัดก่อสร้างท่านจให้คนมาตรวจงานก็จะส่งคนขี้อายมาด้วย คนไหนไม่รู้จักอาย่ะส่งมาส่งคนที่อายส่งคนที่กลัวมาำท่านทั่วรับฟังอาจจะเข้าใจว่าทำไมทางพระพุทธศาสนาเจ้าสอนให้คนขี่อายขี้กลัวในคนประเภทนี้ถ้ามีขึ้นประเทศชาติมันจะเจริญหรือว่าจะประเทศชาติมันจะเสื่อม ก็ลองที่จะมาคําแนะนําขององค์สมเด็จตถาสมมาสมพระเจ้าดูพระองค์สมเด็จพระบรมครูทรงตรัสว่าจงส่งคนที่อายมาด้วยคนที่อายจะเป็นยังไงไม่ใช่อายไม่ใช่อายดีดีนี่เขาไม่อายพระพุทธเจา้าทรงแนะนําว่าชาวโลกทั้งหมดจงเป็นคนอายความชั่วแล้วก็เกรงกลัวความชั่ว ถ้าเราคิดจะฆ่าใครเขาคิดจะประทุษร้ายเขาเราก็อายก็ได้มีความรู้สึกว่าไอ้ชีวิตของเราเราก็รักถ้าใครเขาจะมาฆ่าเราเราไม่ชอบใครเขาจะทําร้ายเราเราไม่ชอบถ้าใครเขาทาอย่างนั้นเราก็บรร n a เขาว่าเป็นคนเลวหาสร้างทําลายความทุกข์ให้เกิดขึ้นกับเรา เราจะหาความสุขไม่ได้ในเมื่อคนตามค่าตามล้างตามสารตามทำลายร่างกายและทำลายชีวิตเราเองก็อยา ก, กินไม่อิ่มนอนไม่หลับคอยหลบคอยหลีอยู่ตลอดเวลานี่แปลว่าเมื่อเรามีความสุขรู้สึกอย่างนี้เจนว่าคนที่คิดทำลายเราเป็นคนเลวสะเต็มทีในเมื่อเราเห็นการการทำของบุคคลผู้นั้นเป็นลักษณะเลว เราก็จะต้องไม่สร้างความเลวแบบนั้นเป็นอันว่าคิดกระทุ้ดรา้ายฆ่าฟันทำลายล้างสิ่งกันเลกันระหว่างเรากับคนอื่นเราไม่คิดถ้าเราเอินอารมณ์จิตมันคิดขึ้นมาคิดว่าจะทำร้ายเขาแล้วก็อายความเลวคิดว่าถ้าเขาจะทำเราบ้างเราไม่ชอบนี่ถ้าเราไปทำเขาเขาจะชอบหรือเขาก็ไม่ชอบเหมือนกัน เมื่อต่างคนต่างคิดประทุษร้ายซึ่งกันและกันต่างคนต่างก็ไม่มีความสุขชั่เรารักกันสงสารกันไม่ได้แล้วก็เลยอายความชั่วทางนี้เสียอายความคิดประทุษร้ายกลายเป็นคนมือเหลือแต่ความรักความสงสารความเมตตาปราณีซึ่งกันและกันถ้าคนทั้งหมดมีอย่างนี้โลกจะมีความสุขและโลกจะมีความทุกข์ มีคนที่อายอีกลักษณะหนึ่งก็คืออายความชอบโกงความทุจริตคิดไม่ชอบอย่างถนนห้นทางที่เขาจะสร้างกันเนี่ยราคามันประมาณร้อยล้านบาทเป็นราคาเต็มพอดีพอดีถ้าเราจะเอากำไรเกินขึ้นไปกว่านั้นสักหนึ่งบาทหรือหนึ่งสตางค์เราก็อาย <c oughs> คิดว่านั่นมันเป็นอารมณ์เลวอารมณ์ร้ายของบุคคลเพื่อมีความชั่วเราไม่ทำไม่ยอมโกงที่พูดทางด้นการสร้างต่างๆบอกว่าถ้ารัฐบาลยให้พระช่วยขอยรัฐบาลส่งคนที่จะมาตรวจงานจะมารับงานส่งส่งคนขี้อายมาอี่าันนี้ผู้พูดนี่เคยทำมาแล้ว เจอคนไม่อายกันสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นขนาดหนึ่งพะอะไรเพราะว่าอยู่ดีๆแกก็บอกว่าเงินที่รัฐบาลส่งมาให้นีมาสมัยน้นคนทำก็ตายไปแล้วจะหาว่าผีมันินทายก็ตามใจเพราะเงินที่เขาส่งมาแล้วห้าหมื่นบาทเนี่ยขอตัดไว้ยี่สิบปอร์เซ็นจะไปสร้างความเจริญที่อื่น ความจริงเงินเขาให้มาครึ่งเดียวในราคาก่อสร้างเท่านั้นแต่ก็ปรากฏว่าท่านผู้นั้นตัดออไปเส้นหลายรายการก็เลยต้องโตเถียงกันเพราะว่าตามคำสั่งของกระทรวงไม่ได้บอกให้ไปซ่อมแซมที่อืน่นให้ไปสร้างความเจริญที่อืน่นถ้าต้องการให้ไปขอกระทรวงตอนนั้นก็มีเรื่องกันนิดหน่อยคือคนอายกับคนไม่อายก็ต้องทะเลาะกัน คนดีสุดผู้สร้างคือคนอายือไม่ยอมให้เงินล่วไหยไปก็ได้มาท่านไม่อายแท่งเลยต้องถูกย้ายจากสถานที่เดิมไปอยู่ที่อื่นแล้วในดีสุดก็ต้องพ้นไปจากราชการนี่ลักษณะคนที่ไม่อายเลวลมันมีผลเป็นอย่างนี้พอไปอยู่ที่ใหม่เข้าก็ไม่มีใครคร บ, ครบ เวลาที่เขาจะไปรับเงินในการสร้างโรงเรียนเขาก็ติดต่อตรงผู้ว่าราการจังหวัดวนส่วนใหญ่ก็ติดต่อตรงดกระทรงศึกษาธิการเป็นอันว่าเขาไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้เขานี่คนที่อายเนี่ยมันมีความดีบรรดาท่านผู้รับฟัง ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าถ้าคนทั้งโลกมีความอายกันโลกนี้จะมีความสุขพูดเท่านี้ก็เกิดเริมสงสัย <c oughs> ว่าจะมานั่งอายกันทำไมทัางเขากลอบเขาบอกว่าภาศิตโบราณมีว่าด้านได้อายอดให้ด้านได้อายอดนี้ได้มาเพราะความด้านมันเดืดร้อน เราได้มาเพื่อความอายมันมีความสุขอย่างคนทุกคนต่างคนต่างอายความโหดร้ายทุกคนไม่มีความโหดร้ายมีแต่คนใจดีอายความมือไวเราไม่คดไม่โกงไม่ไม่ทําลายทรัพย์สินเขาพวกคนอื่นให้พินาฏไปไม่ยือ้อไม่แย่งไม่เอาเปรียบกันมีความรักมีความเมตตาปราณีสิ่งกันอะไกัน อายมออายใจเร็วคือไม่ยื้อแย่งความรักข อ, กองบุคคลอื่นอวาจาชั่วไม่โกหกพูดในความเป็นจริงไม่ใช้วาจาหยาบพูดวาจาที่อ่อนหวานไม่ยุโยงเด็แขงแสงให้พวกาแตกราวกันพูดให้เกิดความสามัคคีใช้แต่วาจาที่ดีไม่เป็นเครื่องกระทบกระเทือนใจบคุคคลอื่น หรือว่าอายในการใช้สติสัมปชัญญะที่ไม่สมควรการมอมมอมเมาประสายก็นตนให้ไร้สติสัมปชัญญะเป็นของไม่ดีอายไม่ทําอย่างนั้นลองดูที่ว่าพระพุทธศาสนาช่วยชาวบ้านชาวโลกแล้วหรือย่างถ้าแต่และคนทุกคนอายแบบนี้โลกจะมีความสุขและโลกมีความทุกข์อายความโหดร้ายเราก็เป็นคนใจดี อายความเป็นคนมือไวเราก็เป็นคนมือไม่ไหวซื้อสัตว์สุจริตไม่คิดคดทรอยต์ไม่ใช่ว่าของถูกสั่งซื้อของแพงแต่ของราคาแพงล้วพ่อค้าไม่ได้แต่คนสั่งเป็นคน่ายผู้รับเป็นผู้จา่ายเพราะนั่นคนกลางรวยไปคนกลางนี่จะเป็นใครเขได้หน้ากระดาษต้องซื้อพิมพ์มีอยู่เยอะ มีอยู่เยอะซื้อของไม่ถูกสเปกสร้างสเปกขึ้นมาแต่จะเพาะคําว่าสเปคกีนมาอะไรทำไมสรรับคำแบบแผงก็แล้วกันซือของอ้างกว่าต้องมีอย่างนั้นต้องมีอย่างนี้ัางท่ามีของดีกว่านั้นราคาถูกกว่าเขาก็มีแต่ท้าก็ว่าไม่ยอมซอื้อก็อะไรเพราะว่าไม่ได้เงินค่าสั่งมีคนประเภทนี้เป็นคนประเภทในอไอ ทำลายทรัพย์สินให้พีนาฏไปผู้รับผู้สั่งผู้ซื้อแทนที่จะซื้อของถูกก็ไปซื้อของแพงแต่ผู้ขายจริงๆก็ไม่ได้ของแพงได้ราคาปกติแต่ผู้สั่งเป็นคนไม่ไอายอันนี้เป็นการสร้างความเจริญหรือเขาสร้างความบันเลยให้เกิดกับปวงชนชาวไทยหรือว่าชาวโลกถ้าทั้งโลกถ้าโดยเฉพาะประเทศไทยก็พูดโดยเฉพาะชาวไทย สมมุติว่าเราอยาซื้อขันน้ำสักลูกราคาหนึ่งบาทแต่คนกลางบอกว่าราคาหนึ่งบาทห้าสิบประดังในเงินห้าสิบประดังในสองคราวมันได้ขันลูกเราไปซื้อขันสิบลูกมันควรจะได้สิบห้าลูกแต่ก็ได้มาสิบลูกเท่านั้นคนไม่อายแบบนี้สร้างความดีให้เกิดขึ้นแล้วสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้น เมื่อคนไม่อายอีกประเภทหนึ่งจะเอาคนทั้งโลกเป็นทาสวามจริงสิทธิในการหาธรรมมาหากินของเขามีกันอยู่แล้วไดยเฉพาะอย่างยิ่งคนทั้งโลกถ้าปล่อยเข้าไปอิสระภาพไม่ไปควบคุมเขาเกินไปเรียกว่าไม่เอารัดอเอารียบไม่มีคนมันนั่งใช้เงินของเขาเฉย ไช้เงินเฉยๆไม่ว่าเขาจ้างให้มาเป็นผู้บังคับบัญชาจ้างให้มาเป็นผู้ดูแลกลับเอารัดเอาเปรียบจะทําอะไรสักหน่อยก็สร้างความยุ่งสร้างความยากไม่รู้จักตนไม่อายไม่มีความรู้สึกว่าเป็นลูกจ้างของเขาคิดว่าเป็นนายคนเวลาจะไปติดต่อกายงานตามระเบียบหน้าที่ก็หาทางบ่ายเบี่ยงด้วยประการต่างๆ ดีไม่ดีถ้าไม่จ่ายสตังให้ใหม่นอกจากเงินเด้นก็ไม่ทำให้ลืมว่าไอ้ตัวเองนี่เป็นลูกนชาวบ้านคนประเภทนี้สร้างความสุขให้แก่ชาวบ้านและสร้างความทุกข์ให้แก่ชาวบ้านที่ไม่อายก็เพราะว่าไม่มีความกระตันอยู่รู้กลว่าคนที่ไปหาเขาให้ทำงานให้ เื่งานที่เขาจะต้องทำมันต้องทำตามหน้าที่หน้าที่มีอยู่แล้วว่าต้องทำแบบนั้นแต่ถา้าลืมไปถ้าไม่จ้างใหม่ไม่ทำให้คนประเภทนี้เป็นคนดีและเป็นคนเลวไม่รู้จักอายความชั่วไม่รู้ตัวอยู่ในหน้าที่อะไรบางทีสมมโนครัวคนประเภทนี้มีหน้าที่เขียนเขียนการันของเขาผิด เวลาที่เขาจะย้ายสมโนครัวก็บอกว่าการันไม่ตรงกันกับที่จะของแจ้งไปทําให้ไม่ได้อย่างนี้ก็มีตอนที่สะกดตัวเขาผิดเอานายเป็นนางนางเป็นนายซชอย่างนี้ก็มีแต่ความผิดแบบนี้คนไม่อายไม่มีความรู้สึกบอกกับเจ้าของทำเบียนแจ้งจะพูดที่จะไปทําทะเบียนย้ายบอกว่าไม่ได้ผิด ก็ไปหาหลักฐานหาเหตุผลที่ไหนใดที่ไหนกันมาสร้างความลาบากแต่ความจริงๆแล้วพระพุทธเ จ, จ้าบอกว่าคนอย่างนี้เป็นคนไม่อายตความผิดมันเกิดขึ้นกับบคุคคลผู้กระทำไม่ใช่เจ้าของคือ บ, บคุคคลผู้แจ้งเขาไปแจ้งแล้วขิงเขาไม่ถูกกลับมาหาทางกลั่นแกล้งดีไม่ดีถ้าได้สตางเงียบไม่โกรธ เร่องนี้ก็มีโดยเฉพาะคนไม่อายและคนไม่อายประเภทหนึ่งเคยพบวันนั้นไปนั่งอยู่ด้วยมีเจ้าหน้าที่มาเรียกเจ้าของบ้านออกไปเพราบ้านนี้ที่แจ้งในการก่อสร้างแจ้งเป็นลักษณะของบ้านเป็นเรือนไม้ไม่ใช่ตึกแต่ว่าที่อยู่นี่มันเป็นลักษณะของตึก คือใช้แผ่นปูนเรียบตีฝาแทนไม้น่่นหมาว่าบ้านไม้ต้องเป็นบ้านไม้ถ้าว่าบ้านผ่านปูนเรียบตีฝานี่เป็นบ้านตึกใช้ไม่ได้ผิดระเบียบต้องรือ้อต้องรื้อใหม่ไม่เชนั้นก็ต้องทํารายงานใหม่แต่ว่าทําไม่ได้เสร็จแล้วเพราะมันสร้างส ร, สร้างเสร็จพูดไปพูดมาพูดมาพูดไปเรองของบ้านบอกอย่างนี้ก็แล้วกันครับ ให้ผมจะแก้ไขจะทำใหม่ผมก็ทำไม่ได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้ามีใครมีความจำนานไม่ท่านช่วยให้เขาเขียนทีให้ค่าจ้างเขาหนึ่งร้อยบาทท่านผู้นั้นรับเงินหนึ่งร้อยบาทไปแล้วก็หายไปเลยถ้าวันหลังส่งเสือมาบอกว่าใช้ได้มีลักษณะของคนที่ไม่รู้จักอายมันเป็นอย่างนี้ เงินเดือนได้มาแล้วไอ้แผ่นเรียบก็บไม้กระดานไม้กระดานที่มันหายากไฟไหม้ง่ายแต่แผ่นเรียบหาได้ง่ายแล้วก็ไฟไหม้ยากอันตรายเกิดมียากหาเรื่องเอาสตังแม้แต่นิดเดียวก็เอามีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่าเจ้ า, จ, าจงเป็นคนขี่อายอายเสีอย่าทําความชั่วแบบนี้ แต่คนความชั่วคนชั่วแบบนี้ไม่มีโลกจะมีความสุขและความทุกข์โลกจะมีความเชีย่ยงเย็นและมีความ ร, าร่าเรอนเป็นอันว่าปวงประชากรก็ต่างจะมีความสุขนีลักษณะคนอย่างนี้ที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าควครคบคบคนขี้อายแล้วก็คนขี้กลัว คนที่กลัวนี่ไม่ใช่กลัวอำนาจรศัศด์กลัวความชั่วความชั่วอะไรหนึ่งโหดร้ายความโหดร้ายของจิตความมือไว้ใจเร็วพูดปดหมดสติกลัวการอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นกับตนไม่ว่าถ้าจะคบคนแล้วก็ไม่คบคนประเภทนั้นเพราะกลัวเขาจะสร้างความเดือดร้อนรวมความอาการที่พูดมาทั้งหมด ไม่ลักษณะของคนดีองค์สมเด็จพระจินทร์สีทรงแนะนำว่าสิ่งที่กลัวที่สุดอายที่สุดก็คืออายอายใจเราอายก็เกรงกลัวใจเรา <c oughs> สร้างความดีให้มันเกิดขึ้นกับใจเชื่อคบคนดีการคบคนอื่นดีเนะี่ยมันไม่แน่ถอยคบจิตของเราดีแต่ทางต่า ง, างคนตา่างมีจิตดี คนหนึ่งมีจิตมีความรักมีจิตมีความสงสารมีจิตไม่อฉาด้สย่าบุคคลอื่นพอ ย, ยินดีเมื่อบุคคลอื่นได้ดีและมีจิตวางเฉยในเมื่อกดที่ทําผิดระเบียบแบบแผนและเพื่อนทําผิดระเบียบแบบแผนจะต้องถูกลงโทษเราก็มีอารมณ์เฉยไม่สะดุ้งสะเทือนคือไม่อยโกรธคนที่ก็ลงโทษตามอํานาจนาที ที่มีโดยยุติธรรมนี่การครบอย่างนี้กืถ้าต่างคนต่างมีอารมณ์จิตเหมือนกันอย่างนี้ทั้งหมดโลกจะมีความสุขและโลกจะมีความทุกข์ถ้าโลกนี้แต่ไม่ได้ความอายอายความชั่วเสียทุกคนเกรงกลัวผลของความชั่วเสียทุกคนระเบียบแบบแผนกฎหมายข้อบังคับมีอย่างไรปฏิบัติตามมาอย่างนั้นเหมือนกันหมด ใ น, นโลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุกข์ถ้าทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายทุกคนตปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของสำนักงานที่อยู่หรือกรมค้าที่อยู่ทั้งหมดนี้เรือนจำจะต้องสั่งไหมแล้วก็ตุลาการทั้งหมดจะต้องทำไหมจะต้องมีไหม งบประมาณของทั้งหมดในเรือนจําปีละเท่าไหร่แล้วกรมไอ้กรมอะไรเรือนจำเนี่ยมันอยู่ของกรมอะไรกรมอะไการนั่นก็โซมาไทยไม่รู้ว่ากรมอะไรกรมราชยรรกรมราชธรรมทั้งกรมเนี่ยใช้เงินปีละเท่าไหร่เงินดาวเงินเดือนไม่ต้องมีกันแล้วเลิกกเลิกหรือกรมนี้ทิ้งไปเลยข้าราชการทุกคนไม่ต้องจ้างเบี้ยเลี้ยง หรือว่าค่าผ้าผ่อนเท่าสบายคนนิติคุณธราไม่มีเพียงเท่านี้เจ้าบ้างก็ประมาณเขาประเทศชาติไม่ต้องจ่ายไปเท่าไหร่ถ้าพูดไปยิ่งกว่านั้นถ้าคนทั้งโลกต่างคนต่างอายความชั่วกลัวความชั่วมีแต่ความดีก็เลยไม่ต้องมีรัฐบาลไม่ต้องมีข้าราชการไม่ต้องมีการปกครองกันได้ใช้อำนาจในทางที่ถูกบ้างทีวิตบ้าง ไม่ต้องมีอะไรทั้งหมดทำอะไรขึ้นมาได้ก็เป็นของตนเองทุกอย่างไม่ต้องมีใครมาแบ่งอใบไช่ที่ดังใบไช่ในปีไม่น้อยมากที่ให้ไปแล้วยังไม่พอยังเรียกใหม่อีกก็เยอะมันมากกว่าที่ให้ไปตามกฎหมายถ้าทั้งโลกเป็นคนมีแต่คนที่อายทุกคนอายหมดทุกคนกลัวกลัวหมดกลัวความชั่วอย่างนี้มันจะเกิดกับใจ ไอ้ความชั่วยประเภทนี้มันจะเกิดกับใจโลกนี้ยังมีความสุขและมีความทุกข์พระพุทธศาสนาช่วยโลกแล้วจะมีใครบ้างหนอที่จะรับรองความช่วยเหลือของพระพุทธศาสนาที่โลกมีความเล่าร้อยกันอยู่ในปัจจุบันก็เพราะขาดคนให้หาคนอายไม่ได้ไม่มีใครจะอาย เวลานี้ไม่อายจงมาะทำงวาแก่ทำทรัพย์สินขึ้นมามากเพียงใดก็าตามต้องมาให้ฉันเอามารวมไว้ที่ฉันทั้งหมดนี่โลกที่เขามีความต้องการอย่างนี้แล้วฉันจะแบ่งให้เธอกินเธอใช้อย่างนี้ผู้กคดถึงนว่าน่าด้านเกินไป แล้วคนที่เอาทรัพย์สินเข้าไป้รวมเข้าไว้จะแบ่งปันให้เจ้าของเขามีความสุขในขนาดไหนไมเมื่อเขามีความปรารถนาอย่างหนึ่งแล้วเราก็ให้อย่างหนึ่งอย่างนี้มันจะ ม, มีมีความสุขตามความต้องการของเขาดรวยถ้าดีจริงๆถ้าหวัวใจดีจริงๆแล้วก็ทรัพย์สินของใครก็สิ่งของใคร อย่าไปยื้อย่างจะไปบีบังคับอย่าไปคดกงเขาทุกคนต่างอายความชั่วกลัวความชั่วแระเพื่ิแต่ความดีเอาจิตใจของตนเองเป็นเครื่องวัดถ้าเราถูกกระทําเข้าอย่างนั้นเรามีความพอใจหรือไม่ถ้าเราไม่พอใจสิจ่งใดที่เราไม่พอใจในเมื่อเราถูกกระทําก็ต้องคิดว่าคนที่เขถูกกระทํากระจากเราเขาก็ไม่พอใจเหมือนกัน มีเห็นไหมว่าองค์สมเด็จโตทรงทันช่วยโลกแล้วแต่โลกไม่ยอมรับนับถือพระองค์ที่ยอมรับนับถือก็น้อยเต็มทีทอย่างหนึ่งลักษณะของคนดีที่เราควครคบด้วยใจยสบายๆก็คือความกระตันอยู่รู้คุณความกระตันอยู่รู้คุณนี่มีความสําคัญเราเป็นผู้ให้เราเป็นผู้เกื้อคูนแต่ว่าคนที่ให้ ที่เขาเลาให้เราเกือ้อกูลเข้าเขาคิดคดทระยดไม่ซื่อสัตย์สุจริตไม่สร้างความดีตอบเราจะสะเทือนใจชั้นใด้ในปะหาว่าเราไปทํากับคนอื่นเขาก็เหมือนกันตัวอย่างถ้าเราเป็นบินดามารดาของลกูกถ้าลูกคุณอากาตันโยไม่รู้คุณพ่อคุณแม่คิดว่าคุณพ่อคุณแม่ทําให้มันเกิดขึ้นมากับเราะอาศัยความสนุกในกาา ม, มา ไม่กลามารมแล้วก็มาโตขึ้นมาแล้วมันก็ลืมคุณท่านทําลายความดีของท่านไม่ยอมรับนับถือถ้าเราเดินขอย่างนี้เราจะมีความรู้สึกชั้นใดมื่อคนเองเขามีความรู้สึกอย่างนั้นถ้าเราเป็นเขาถ้าเราถ้าเขาเป็นผู้มีคุณกับเราเราไปทําอย่างนั้นคําอ้างบอกว่าพ่อแม่ไม่ตั้งใจให้เกิด ท่านไม่จริงตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเมื่อเกิดท่านก็นมีความเมตตาปราณีท่านมีความรักถ้าไม่รักจริงท่านก็นปล่อยให้ตายมาอย่างเด็กไม่ให้การศึกษาแต่การศึกษาแล้วกลับมารู้สึกว่าท่านเป็นพวกไม่มีคนนี่มันเร็วมากแล้วนอกจากนั้นก็มีคนบางพวกที่เขายกยอปอบปั้นตั้งให้เป็นใหญ่เพราะว่านั่งไปเรากลับคิดประทุษร้ายบุคคลพวกมีคุณ ความรู้สึกอย่างนี้เป็นความชื่นใจของชาวโลกหรือว่าเนความไม่พอใจของชาวโลกพระพุทธเจ้ากล่าวว่าบุคคลใดก็ตามถ้ามีคนกับเราแม้แต่เล็กน้อยข้าวคำเดียวก็จงถือว่าท่านคนนั้นเป็นผู้มีคุณสนองคุณของท่านในความสุขใจอาการอย่างไรก็ตามถ้าเป็นความสุขใจของท่านไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎข้อบังคับไม่ผิดระเบียบประเพณี เราทำทุกอย่างอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินท์สีกล่าวว่าเป็นปัจจัยให้โลกสุขอาดบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้มองดูเวลาก็หมดแล้วขอลาก่นเพราะความสุขสวัสดิีพัฒนมงทนสมบูรณ์ผลผลจึงมีแด่บันดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี